พระเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกชดินสามพี่น้องพระบรมศาสดา ได้ทรงจำพัรษาณป่าอิสิปตนะมรุกทายวันนั้นครั้นออกพรรษาแล้วในอัตถกถาแห่งหนึ่งแสดงว่าได้เสด จ, จาริศจากอิสิปตนะมรุกทายวันในวันปาดิดบทคือวันรมหนึ่งค่ำเสดย้อนไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นตำบลที่ตรัสรู้มุ่งจะเสด็จไปโปรดชาดินหนึ่งพันคนซึ่งตั้งสำนักอยู่ในตำบล น, นั้น ในระหว่างที่เสด็จออกจากอิสิปตนะมรุกขายวันได้ประทับพักที่ร่มไม้ในแถวไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งก็ได้ทรงพบกับพัทธวัชคิยกุมารมีจำนวนส0สิบคนซึ่งมาเที่ยวเล่นกันอยู่พร้อมกับภริยาของตนแต่สหายคนหนึ่งไม่มีภริยาก็นำเอาหญิงโสเพณีมาเมื่อเผลอหญิงโสเพณีก็ลักเอาห่อสิ่งของหนีไปก็พากันเที่ยวตามหา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 ชดินรวมหนึ่งพันคนซึ่งมีหัวหน้าสามคนก็ได้มาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาก็มาถึงวาระที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงอนุศาสนีปาฏิหารคืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ชดินเหล่านั้นได้บรรลุธรรมะสืบต่อไปจึงได้ทรงนำไปยังตำบนขยาศาีรษะใกล้แม่น้ำขยะแล้วก็ตรัสเทศนาที่พระคันธรจนาจารย์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 รูปที่เห็นได้ด้วยจักรสุ compliment. จักขูวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปทางจักรสุจักขูสัมผัสสัมผัสอาศัยจักรสุจักขูสัมผัสสัจฉา ว, วทนาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสอาศัยจักรสุหมวดที่สองโสตะคือหูสัทธาคือเสียงโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะคือหูโสต ส, สัมผัสสัมผัสอาศัยโสตะคือหู โซ่สัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดเพราะสัมผัสอาศัยโสตะคือหูหมวดที่สาคานะคือจมูกคันทักคือกลิ่นคานวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกคานะสัมผัสสัมผัสอาศัยจมูกคานะสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจมูกหมวดที่สชิวหาคือลิ้นรสะคือรส ชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัมผัสอาศัยลิ้นชิวหาสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยลิ้นหมวดที่5กายาคือกายโพธทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องกายวิญญาณวิญญาณอาศัยกายกายสัมผัสสัมผัสอาศัยกายกายสัมผัสสัชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายหมวดที่หมโนโหรือมณคือใจธรรมะคือเรื่องมโนวิญญาณมโนอาศัยมณคือใจมโนสัมผัสสัมผัสอาศัยมณคือใจมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมณคือใจเหล่านี้เป็นของร้อนตอนที่สองได้ทรงแสดงว่าร้อนเพราะอะไร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 ความร่ำไรรำพันหรือความระทมใจทุกขะความเจ็บไข้หรือความทุกข์กายโทมานะความทุกข์ใจอุปายาสะความขับแขนใจฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าเป็นของร้อนตอนที่สได้ทรงแสดงผลของความรู้ความเห็นต่อไปว่าเมื่ออริยะสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้สดับแล้วอย่างนี้คือว่า ได้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ย่อมหมายในสิ่งทั้งปวงนั้นเมื่อหนายก็สิ้นกำหนัดเมื่อสิ้นกำหนัด ก, ก็วิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติคือหลุดพ้นก็มีญาทณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้วและย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําแล้วไม่มีกิจอื่นที่พึงทำํำเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกท่านแสดงไว้ว่า เมื่อพิกษุทั้งหนึ่งพรูปนั้นได้สดับพระธรรมเทศนานี้ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหนึ่งพรูปในพระสูตรนี้ได้จำแนกแสดงส่วนต่างๆภายในกายนี้ให้ละเอียดมากขึ้นอีกในธรรมจักรกับปวัตนสูตรและในอนัตตะลกะนณสสูตรที่แสดงแก่พระปัญจวคีได้ยกเบญจขันขึ้นแสดงคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณแต่ยังไม่ได้จำแนกถึงวิถีคือทางที่เกิดขึ้นตามลำดับในพระสูตรนี้ได้แสดงความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์เหล่านั้นแต่แสดงถึงเพียงเวทนาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเมตติทางพระพุทธศาสนานั้นตามที่พิจารณาจากพระสูตรต่ตา ง, างพอสรุปลงได้ว่า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 ประสาทคือตารู้เสียงทางโสตประสาทคือหูรู้กลิ่นทางคานะประสาทคือจมูกรู้รสทางชิวหาประสาทคือลิ้นรู้โวดทับพะคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายประสาทคือกายรู้ธรรมะคือเรื่องทางมณะที่แปลว่าใจเพราะฉะนั้นจากหุตาโสตหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมณะ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 ความนึกถึงในเรื่องในอดีตดังกล่าวนั้นไม่ได้อาศัยหูตาเดียวนั้นแต่คราวนี้มานึกได้ด้วยอะไรสมมุติว่าไปเห็นรูปได้ยินเสียงมาเมื่อเช้านี้แต่ว่ามานั่งนึกถึงอยู่เดียวนี้นึกถึงรูปนึกถึงเสียงนั้นนึกถึงด้วยอะไรเพราะไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูเมื่อเช้านี้ต่างหากต้องอาศัยตาอาศัยหู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 แต่ก็ไม่เรียกว่าประสาทมณะตามที่อธิบายมานี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิริยานวรโรรสได้ทรงสนิฐานว่าได้แก่มันสมองมณะคือทางที่หกนี้ยังมีหน้าที่พิเศษอย่างหนึง่งที่แสดงไวในอัตฉริะอภิธรรมคือในขั้นบาลีนั้นได้แสดงว่าจักขูคือตารูปะคือรูปกระทบกันก็เกิดจักขู่วิญญาณ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 สัมผัสแปลว่าความกระทบกันก็มีหกเช่นเดียวกันแต่มีอธิบายว่าที่ชื่อว่าสัมผัสนั้นได้แก่ความประชุมกันของจักรสุและรูปและจักขุวิญญาณจึงจะเรียกว่าจักขุสัมผัสความประชุมของโสตะหูสัทธเสียงและโสวิญญาณจึงจะเรียกว่าโสสัมผัสความประชุมกันของขานะจมูกคันธะ กลิ่นและคานะวิญญาณจึงจะเป็นคานาสัมผัสความประชุมกันของชิวหารสะและชิวหาวิญญาณจึงจะเป็นชิวหาสัมผัสความประชุมกันของกายโผธทัพภะและกายวิญญาณจึงกลายเป็นกายสัมผัสความประชุมกันของมณะธรรมะและมโนวิญญาณจึงจะเป็นมโนสัมผัสอันดับสามก็เป็นเวทนา คือเมื่อเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่เป็นทุกข์บ้างไม่เป็นสุขบ้างเวทนาก็มีหกสืบไปจากสัมผัสเรียกว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยจากสุโสสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยโสตคานสัมผัสสชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยคานะชิวหาสัมผัสสัฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยชิวหากายสัมผัสสัฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกายมนูสัมผัสสัฉาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยมณะอันดับที่สี่ก็คือสัญญาความจำได้หมายรู้ก็นับเป็นหคือรูปสัญญา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 เป็นอกุศลคือเป็นส่วนไม่ดีบ้างเป็นอัพยกฤิคือเป็นส่วนกลางกางบ้างเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสังขานี้รวมเรียกว่านามธรรมคือเป็นส่วนนามนามแปลว่าน้อมหมายความว่าเป็นอาการที่จิตน้อมออกไปรู้อะไรต่างๆอาศัยกาย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 ก็เป็นนามกายแต่มักเรียกสั้นๆกันว่านามรูปเรียกว่านามเพราะเป็นอาการที่น้อมไปรู้ของจิตดังบรรยายมาแล้ววิถีจิตคือทางดำเนินของจิตที่ปรากฏเป็นนามธรรมอาศัยรูปประธรรมคือจิตอาศัยรูปแสดงอาการเป็นนามน้อมออกมารู้รูปรู้เสียงที่แรกก็น้อมออกมาเป็นวิญญาณเวทนา